พ่อ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 จึงบังเกิดมีแก่ยัดโยมผู้รับฟังรายการทุกทุกท่านอาตมภาพพระสมรักญาณทีโรวัดพันศีตำบลจารพัฒอำเภอศิขรภูมิจังหวัดสุรินได้มาพบปากกับยัดโยมสาธุชนทุกท่านเป็นประจำตั้งแต่เวลา หจนถึงหกโมงเช้าในรายการร่วม ร, รมเวลา8ปดนาฬิกาถึงเวลา9ก้นาฬิการายการกรวีบทรถธรรมเวลา16บหนาฬิกาถึงเวลา17บเนาฬิการายการภาษาธรรมภาษาถิ่นเวลา1ิบแนาฬิกาสามนาทีถึงเวลา19บเกนาฬิการายการกรวีบทรัธรรม เวลา21นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิการายการธรรมเพื่อชีวิตและก็บางครั้งเวลา12นาฬิกาถึงเวลา13นาฬิกาซึ่งถือว่าเป็นรายการประจําไม่เว้นวันหยุดราชการก็ยังมาคงนั่งปักหลัก ยังคงมานั่งให้ความรู้แก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะ่าเพื่อนําไปพิจารณา<อ>เพื่อนําไปประ tv, พฤติเพื่อนําไปปฏิบททัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ในส่วนของญาติโยมเองนะ่าแล้วก็พระคุณเจ้าหลายรูปที่ติดตามรับฟั ง, งรายการนี้อยู่ด้วยก็สามารถที่จะนําไปในส่วนของการ ประพืชปฏิบัติในส่วนของการสั่งสอนญาติโยมต่อไปได้เป็นอยา่างดีเพราะว่าในช่วงนี้นั้นอัตมภาพนาะได้นำในส่วนของเนื้อหาสาระเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติในส่วนของชาวพุทธซึ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังนั้นคงจะเข้าใจว่าระเบียบปฏิบัติตามแบบชาวพุทธนั้นถึงจะเป็นแค่เปลือกแต่ว่า ต้นไม้ก็ต้องอาศัยหลายๆอย่างประกอบกันจึงจะเป็นต้นไม้ได้ใช่ไหมคะโจมนาเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาก็ย่อมต้องมีบางส่วนไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นศาสนะวัตถุต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นในส่วนของอเปลือกและก็กระพีเหมือนกันยศโจมเพราะฉะนั้นแก่น์ของหลักธรรมรรมพระพุทธศาสนาก็ต้องอาศัย กระพีต้องอาศัยเปลือกในการหล่อเลี้ยงเพื่อให้เกิดแก่นชั้นใดยะโจมหลักปฏิบัติของยะโจมหรือหลักประพฤติปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของชาวพุทธที่อาตมาภาพนำมาคุยในเริ่มต้นวันนี้ก็เหมือนเหมือนกันยะโจมถือว่าเป็นการไต่เต้าขึ้นบันไดแต่ละขั้นแต่ละขั้นไปก็แล้วกันนะซึ่งเมื่อวานอาตมาภาพได้พูดในส่วนของระเบียบการจุด เครื่องสการะบูชาในแต่ละงานแต่ละพิธีกรรมหนาระเบียบของการสวดพระพุทธมนต์หนาระเบียบของการสวดพระอภิธรรมหนาะแล้วก็หลายอย่างหลายประการเมื่อวานท่านได้ฟังโดยเฉพาะในเรื่องของการจุดเทียนน้ำมนต์นั้นเราจะจุดเทียนตรงไหนเวลาไหนอย่างไรหนาะก็เห็นว่าเป็นแบบแผนที่เราควรที่จะ นำไปประพืินำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะก็เวลาไปจัดกิจกรรมไปจัดงานอะไรก็แล้วแต่นี่ก็สามารถที่จะช่วยญาติโยมได้เหมือนกันเพราะว่ากิจกรรมที่อาตมาภาพนำมาพูดคุยในแต่ละวันนั้นก็ล้วนเป็นสาระที่ญาติโยมสามารถนำไปใช้นะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อสังคมต่อไปได้เป็นอย่างดีญาติยโยม ิ ย, ยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการ1 6 7 5เมกะเฮิรตสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาซึ่งกำลังทำการออกอากาศณนะอาคารเรียนโรงเรียนพระปริยติธรรมพันศีวิทยาซึ่งเป็นอาคารเรียนที่ใช้สอนพระพิสุทธิสมเนรนานแล้วก็เป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้ในส่วนของการเผยแผ่หลักธรรมผ่านทางสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาด้วย ซึ่งตอนนี้ก็ทํามานโ อ, อกาสณนะอาคารเรียนชั้นสองยศโจมสาธุชนทั้งหลายก็ยศโยมสาธุชนท่านใดที่ต้องการที่จะร่วมสนธนาธรรมกับธรรมภาพก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 4 4ย์สี่8ีซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสถานีวิทยุซึ่งถือว่าเป็นรายการสดที่เปิดโอกาสให้ยดโจมสาธุชนทั้งหลาย ได้โทรศัพท์เข้ามาสู่รายการและก็สอบถามหรือติชมรายการเข้ามาทางสถานีหรือสามารถที่จะแจ้งผลการรับฟังว่าขณะนี้นั้นที่บ้านของญาติโยมนั้นฟังเป็นอย่างไรบ้างมีใครฟังบ้างมีลูกมีหลานมีปู่ย่าตายายหรือมีใครเปิดคลื่นรับฟังนี้อยู่น่าก็สามารถที่จะแจ้งผลการรับฟังมาได้ก็เพื่อที่จะต้องการ รับทราบว่าญาติโยมที่เป็นแฟนรายการนั้นอยู่ณนะแห่งหนตำบลใด <c oughs> นะ่ก็มียาติโยมหลายคนหลายท่านที่อยู่ตามอำเภอต่างๆไม่ว่าจะเป็นอำเภอรปรางกูอำเภ อ, เ อ, อลำดวนอำเภอเมืองอำเภอสนมอำเภอสิขอรภูมิซึ่งคลืยน 106.75 เมกะเฮิร์นั้นสามารถที่จะส่งไปถึงญาติโยมก็ต้องขออนุโมทนาณที่ติดตามรายการของอาตมาภาพและก็พระ อาจารย์หลายๆท่านที่มาแสดงธรรมให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ติดตามรับฟังด้วยนะก็ไม่ต้องหมดนะปัดใ จ, จน่ะเพียงแค่เปิดคลื่นเข้ามาสู่รายการแล้วก็ฟังรายการธรรมะจากวัดพันศีซึ่งหลายครั้งหลายหนบางทียาติโยมอาจจะเห็นว่าเอ้นะบางทีต้องนิมนต์พระไปเทศถึงที่บ้านทั้งหมดเงินหมดทองอันนี้ไม่จําเป็นญาติโยมถ้าอยากจะฟังเรื่องอะไรก็โทรศัพท์เข้ามาสู่รายการ นะแล้วก็จะสรรหาเนื้อหาสาระในทางพระพุทธศาสนามาฝากญาติโยมได้อย่างแน่นอนนะถ้ามีในพระไตรปิฎก8 4ด0 0พันพระธรรมขันธ์นี่อาตมาภาพนี่เอามาพูดคุยให้กับญาติโยมฟังได้อย่างแน่นอนเพราะว่าที่วัดพันศีนั้นมีพระไตรปิฎกถึงสองชุดด้วยกันไม่ใช่น้อยนะญาติโยมสองชุดนี่ ก็ชุดในส่วนของมหาจุฬาด้วยและก็หลายชุดทีเดียวก็สามารถที่จะไปคน้นคว้าอาหารหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาฝากกัญาติโยมได้เป็นอย่างดีอยู่ที่ว่าญาติโยมต้องการที่จะทราบเรื่องอะไรอย่างไรวันนี้คงจะต้องมาพูดคุยในส่วนของเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เหมือนเช่นเดิมญาติโยมนะแล้วก็ในท้ายๆก็จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมนั้นในโทรศรัพท์เข้ามาสู่รายการด้วยแลวก็ นะเล่านิทานนะดีๆฝากกับย่าโจมตอนท้ายรายการด้วยถือว่าเป็นรายการประจําที่นําเนื้อหาสาระนําเนื้อหาหลักกติธรรมต่างๆมาฝากเหมือนเช่นเคยวันนี้ก็จะพูดในส่วนของเรื่องระเบียบการอาราธนาศีลนานะยโจมว่าจุดประสงค์ของการอาราธนาศีล น, นั้นเขามีจุดประสงค์ว่าอย่างไรนะจึงที่จริงแล้วการอาราธนาศีล น, นั้น ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ญาโจมนั้นจะเห็นได้ว่าเวลายาโจมจะประพฤติปฏิบัติกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะอาราธนาศีลกันโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องของการถวายทานอย่างนี้เป็นตน้นเราก็ต้องอาราธนาศีลอยู่เหมือนกันในญาโจมเพราะว่าก่อนที่เราจะถวายทานอย่างน้อยก็ได้สมาทานศีนที่ดีนะครบทั้งห้าข้อเพื่อให้ อาการบำเพ็ญบุญกุศลเรานั้นเต็มเปี่ยมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญที่เดียวยามสาธุชนทั้งหลายฉะนั้นนี่ยาโยมสาธุชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานอาวมงคลงานเกือบทุกงานและยาโยมที่เกี่ยวกับประเพณีทางพระพุทธศาสนานี่ส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องอาราธนาศีลอย่างแน่นอนยาโจบนาอาราธนาศีล ไม่ว่าจะเป็นในงานทําบุญงานมงคลทุกชนิดนายะจุกนะก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะต้องอาราธนาศินก่อนแล้วจากนั้นเราก็จะต้องถ้ามีกิจกรรมยอย่างอื่นอีกก็เช่นการเจริญพระพุทธมนต์นะเราก็ต้องอาราธนาพระปริศนะสวดพระอภิธรรมเราต้องอาราธนาพระธรรมนะในภายหลังก่อนที่จะนะพยันสินถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นก่อนที่เราจะอาราธนาพระปริศและก็อาราธนาพระธรรม แตนะ่หลังจากที่เรารับศีลเสร็จแล้วนะ่ะก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นประธานพิธีนะ่ะจุดเครื่องสการะบูชาพระรัตนาธิไตรนะ่ณที่โต๊ะหมู่บูชานั่นแหละญาติยโยมเสร็จแล้วนี่จากนั้นก็จะเป็นพิธีกรนานะรือ ผู้นำในพิธีนากล่าวคำอาราธนาสินถือว่าเป็นลาดับแรกงานจะจบทีนี้เราจะมีระเบียบพิธีปฏิบัติในการอาราธนาสินกันอย่างไรญาติโยมเคยรู้ไหมว่าเราจะมีระเบียบพิธีการปฏิบัติในงานมงคลเราจะทําอย่างไรมงคลงานมงคลก็คืองานที่เป็นมงคลเช่นงานแต่งงานงานบวชนาคอย่างเนี้ยเขาเรียกว่างานมงคลนะญาติโยม ลำดับแรกก็คือผู้เป็นพิธีกรหรือผู้นำหน้าทมหน้าที่อาราธนาศีลและก็พระปริตนั้นนี่ก็นิยมปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์ด้วยหน่าถ้าเขาจัดปูลาดนะเขาจัดปูลาดอาสงอยู่กับพื้นและก็ผู้มาร่วมบำเพ็ญกุศลทั้งหมดนั้นนั่งกับพื้น พิธีกรหรือผู้นํานี่ก็ให้นั่งคุกเขา่ายะจมนะส่วนใหญ่แล้วเขาจะนิยมนั่งคุกเขา่าไม่ในนั่งพับเพียบนะ่ะยะจบนั่งคุกเขา่าแล้วก็ประนมมือกราบพระรัตนตรัยสามครั้งนาะกราบพระรัตนตรัยสามครั้งคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นแหละ ย, ยะจบนาะกราบครั้งแรกก็กล่าวในใจในขณะที่เราก้มลงกราบว่าพุทธทเมนาถวพระ พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้านะกราบครั้งที่สองก็ธรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้านะกราบครั้งที่สามก็สังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นย่าจมไม่ต้องออกเสียงก็ได้ถ้าออกเสียงได้ก็ดีนะแล้วหลังจากที่เรากราบสามครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วนี่เราก็กล่าวคาอาราธนาะศีลนายจม ทีนี้ถ้าเกิดว่าในงานในพิธียาโยมงานในพิธีที่ยาโยมจัดหรือในพิธีนั้นๆเนี่ยเขาจัดอาจสงยกขึ้นสูงจากพื้นนแต่เจ้าภาพหรือประธานพิธีและผู้มาร่วมงานทั้งหลายนั้นนั่งอยู่กับพื้นพิธีกรก็หรือผู้นำก็นิยมนั่งคุกเขา่าประนมมือกล่าวอาราธนาศีลเหมือนกันในะยาโยม นะแต่ถ้าเขาจัดอาจสงยกพื้นสูงจากพื้นเจ้าภาพหรือประธานพิธีและผู้เข้ามาร่วมงานทั้งหลายนั่งบนเก้าอี้นะผู้นำหรือพิธีกรก็นิยมยืนทางท้ายอาจสงนะประมาณข้างหน้าพระสงฆ์รูปที่สี่ที่ห้าท้ายแถวใน ย, ย่าจม หันหน้าไปทางพระเถรานุเถระพระผู้เป็นประธานสงฆ์พระเถระผู้เป็นประธานสงฆ์นาประนมมือกล่าวคำอาราธนาศีลลักษณะการกล่าวคำอาราธนาศีลเนีน่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรานี่นิยมกล่าวคำอาราธนาศีลให้ชัดถ้อยชัดคำหน่อยก็แล้วกันอย่าทำปากขบ บ, ขบิบไม่รู้ ว, ว่าอะไรเนี่ยไม่ควรเนะียญาติโยม นะไม่ควรกล่าวแบบอมความนะ่ะไม่ชัดถ้อยแชทคำไม่รู้ว่ า, วาอะไรเนี่ยไม่ควรนะญาจิก็กล่าวอย่างเต็มคํานั่นแหละนะจังหวะที่เรากล่าวนั้นก็ไม่ควรเร็วด้วยอย่าเร็วจนเกินไปเช่นมายังปันเตวิสุงวิสุง ร, รักณัทายาเนี่ไม่ควรนะญาจิหรือช้าจนเกินไปเช่นมะยังปันเตวิสุงอนะนี้ก็ไม่ควรนะญาติน่ะฮือ คือช้าเกินไปก็ไม่ควรนะยัดยมและก็การกล่าวนั้นนิยมหยุดเป็นระยะระยะทอดเสียงเป็นระยะระยะด้วยยัดยมนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังในเรื่องของการกล่าวอาราธนาสินยัดยมเองก็คงที่ฟังรายการนี้อยู่ก็คงจะเข้าใจนะว่าคำอาราธนาศินคืออะไรนะก็จะมีการหยุดอยู่สาครั้งด้วยการยโยม นาเช่นสมมติว่าเราจะอาราธนาสินเราก็กล่าวว่ามะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัถายะอันนี้เว้นระยะหนึ่งครั้งนาแล้วก็กล่าวต่อติสรารเนนสหปัญจศีลานิยาจามะนะนี่คือคำที่ถูกต้องนะยะโจมเพราะนั้นนี่นี่คือเที่ยวแรกนะหยุดสามครั้งนาะเที่ยวที่สอง ก็ต้องหยุดสามครั้งเหมือนกันเที่ยวที่3ก็ต้องหยุดสามครั้งเหมือนกันยน่าจบนะก็คือมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหปัญจศิลานิยาจามะน่ะนี่คือรอบแรกทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหปัญจศิลานิยาจามะนี่ รอบที่สแล้วก็รอบที่3ก็คือมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตอิตติยามปินะยะจุมตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนั ท, นะ ท, นทนาธายะติสารเนนสหะปัญจศิลานิยาจามะอั น, นี้เหมือนกันยะจุนะรอบที่3เราจะต้องหยุดทอดเสียงเป็นระยะระยะหนึ่งรอบนี่ก็หยุด3ามครั้ง นา1รอบหยุด3ามครั้งที่ว่าเมื่อสักครู่เนียนะญาตินะยโยมนะก็จำไว้ก็แล้วกันนะก็จะมีอา่าในในส่วนของตัววักด้วยเวลาดูกล่าวคำราตนานะ mm hmm. ที่นี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นแบบหลักที่เอามาจับประเด็นให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ที่จริงแล้วก็การกล่าวมันจะมีอยู่สอ ง, สองแบบแต่ทีนี้ก็ในส่วนของตัวนี้ก็อยากจะเอามาให้เพียงแบบเดียวนะก็ก็ให้เป็นแบบแผนในการอาราธนาศีลก็แล้วกันยะจบนะในการอาราธนาศีลก็ควรที่จะหยุดตามเว้นระยะด้วยเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย จริงๆนี่นี่คือคือคือหลักของตัวแรกยะยมหลักของตัวแรกที่ยะยมคุ้นเคยกันแต่ก็มีคำอาราธนาอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ค่อยคุ้นกันแต่ก็สามารถเอามาใช้ได้ไม่ผิดนะไม่ผิดหลักของคำอาราธนาศีลที่อยากจะมาภาพพูพดไปเมื่อสักครู่ในส่วนของมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทถายะติสารเนนสหะปัญจศิลานิยาจามะตรงนี้นี่เป็นแบบแรกถ้าเป็นแบบที่สองนี่ที่ยโยมไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยคุ้นนะ ก็จะเป็นอย่างนี้ยะโจมนะก็จะมีคํากล่าวว่ า, า, า, ามะนะ ย, มยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศิลานิยาจามะนะทุ ต, ติยมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศิลานิยาจามะตาติยมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศิลานิยาจามะอันนี้อีกแบบหนึ่งที่ยะโยมเองก็ไม่เคยได้คุณ นะแล้วก็ไม่มีพระรูปไหนที่ท่านแนะนำในส่วนของตรงนี้แต่ก็สามารถใช้ได้แต่อัตมาภาพเองก็อยากจะให้โยมใช้เพียงแค่แค่บทที่ญาติโยมเคยใช้นั่นแหละก็คือบทแรกที่อัตมาภาพเคยแต่ว่าถ้าจะเอาไปใช้สองอย่างก็ได้แล้วแต่ว่าญาติโยมจะสะดวกใช้แต่ที่จริงก็อยากจะแนะนำให้ใช้แบบแรกแหละแบบที่ญาติโยมเองคุ้นเคยนะที่จริงแล้วก็มีการอารัธนาแบบ2แบบนะญาติโยม2แบบด้วยกัน ก, ก็อยู่ว่าใ น, ในที่ชนบทของญาติโยมบางทีก็ใช้แบบที่หนึ่งบางทีก็ใช้แบบที่สองตามท้องถิ่นนยญาติโยมนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นวันพระที่ญาติโยมนั้นมารับศีลในในส่วนของศีลแปดนะก็คืองานนั้นเป็นวันพระแปดค่ำสิบสี่ค่และก็สิบห้าค่ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่จะมารักษาศีลแปดนั้นก็ต้องอาราธนาศีลแปดใช่ไมญาติโยมนะ ในส่วนของคำอาราธนาศินแปดก็ก็ก็กหยุดหยุดเหมือนกันยัจยมนะหยุดสามวคเหมือนกันนะใครที่เคยไปรักษาศินแปก็คงจะจําได้ละนะนะเช่นมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาถายะติสารเนนสหะอัถฐศิลานิยาจามะในรอบแรกนะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาถายะติสารเนนสหะ อัตะสิลานิยาจามะนี่ยอบรอบที่สองรอบที่สก็คือตติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคานัถายะติสารเนนสหะอัตตะสิลานิยาจามะอันนี้คือคือคามารัตนสินลปดที่ยดยมถนะ้าถาวันพระที่ไปรักษาศีลอุโบสถนี่ก็จะได้รับนะคามารัตนาหรือเราวรัตนาทั้งสิบทั้ง8นี่แหละย่าจบ ทีวิธีการรับศินหลายยอดโยมหลังจากที่เราอาราธนาแล้วนี่เราจะมีวิธีการรับสินกันอย่างไรอันนี้ว่าถือว่าเป็นพื้นฐานที่ยอดโยมเองก็ยังไม่รู้ว่าแบบแผนนะที่เราทําตามกันทุกวันทุกวันนี่ตรงตามแบบแผนหรือไม่อย่างไรการรับสินนะยอดโยมนะการรับสินนั้นก็คือวิธีการประกาศสมาทานศินว่าตนจะเป็นผู้ตั้งใจงดเว้น จากการประพฤติทุจริตทางกายและก็ทางวาจาตามสิกขาบทนั้นๆโดยความสมัครใจของตอนเองไม่ใช่เป็นเรื่องที่พระสงฆ์ท่านห้ามไม่ให้ประพฤติทุจริตจะจบเพราะว่าการสมาทานสิ่นเนี่ยเป็นเรื่องของความสมัครใจงดเว้นจากความชั่วของขฤรคหัดแต่ละบุคคลโดยตรงนะ ดังจากพิจารณาผู้ได้จากคำสมาทานศินและก็สิกขาบทเช่นสิกขาบทที่หนึ่งว่าอะไรก็ว่าไปลายาจบนะสิกขาบทที่หนึ่งว่าอย่างไรน่ะในคัมราธนาสินเนี่ยนะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิเนี่อย่างนี้เป็นต้นนะสิกขาบทแรกนะพยัญญาโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ ในขณะที่เราอาราธนาศีลแล้วนี่ก็หมายความว่าเราตั้งใจว่าจะน่ ง, งดเว้นนาเว้นจากจากจากจากพวกเหล่านี้เนี่ยยจบต่อหน้าพระสงฆ์นี่ถ้าใครรับไปแล้วนี่ไม่ปฏิบัติตามที่เราว่านี่อาจจะมาว่าภาพว่าเหมือนกับเราไปสาบานต่อหน้าพระไนงะไม่รับแล้วไม่ทำนี่ถือว่าเราตระบัดสัตว์ต่อตอนเองด้วยนะ เพราะฉะนั้นนี่สิกขาบทแต่ละสิกขาบทเช่นปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามินะซึ่งก็แปลว่าข้าบาเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการยังสัตว์มีลมปราณให้ตกล่วงไปคืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์จะจบประการที่สองก็คืออธินาฐานา เวระมณีสิกขาประทังสมาทิยามิตรข้าพรเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากลักชอคของเขาโดยตนเองและก็ใช้ผู้อื่นให้ลักชอบอันนี้ในกรณีที่ยกตัวอย่างสิบแปดนายจมอมอภรมมะจริยาเวระมณีสิกขาประทังสมาทิยามิตรข้าพเจ้าสมาทานศิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติอัศธรรม อันเป็นค่าสึกแก่พรมจันทร์ประการที่สนะก็คือมุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไปเจ้าสมาทานสิขาบทคือเว้นจากการพูดเท็จคำไม่จริงล่อลวงอําพรางท่านผู้อื่นนะหก็คือสุราเมรยมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือดื่มกินซึ่งน้ำเมาคือสุราและเมรยัยและเครื่องดองที่เป็นของทำใจให้คลั่งไคล้ต่างๆประการที่6ก็คือวิการละโภชนาะเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเว้นจาก การบริโภคอาหารในเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงเวลาอารุณรุ่งขึ้นมาใหม่ประการที่เจ็ดก็คือนจักีตวาทิตวิสูกทัศนามาลาคันทะวิเลปนฐธารณมันดณวิภูสนาฐานาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิซึ่งก็แปลว่าข้าพเจ้าสมาทานศิกขาบทคือเว้นจากฟ้อนรำ ขับร้องประโคมเครื่องปร ะ, ะประโคมเครื่องประโคมต่างๆดูการละเล่นแต่ละนแต่บรรดาที่เป็นข้าศึกแก่กุศลและรูปทาทัดทรงประดับตกแต่งซึ่งร่างกายด้วยระเบียบดอกไม้และก็ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมผัดผิวต่างๆ ประการที่8ก็คืออุจจสาสยนะมหาสายนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิซึ่งก็แปลว่าข้าพระเจ้าสมาทานศิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงตั้งมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นั่งที่นอนอันใหญ่และเครื่องปูลาดอันงามวิจิตเป็นต้นนะอันนี้ยกตัวอย่างสีลแดมาให้ยจมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังกัน เพราะฉะนั้นญาโยมสาธุชนทั้งหลายการสมาทานศีลเนี่ยจึงเป็นเรื่องราวของชาวบ้านสมัครใจตั้งใจงดเว้นเองไม่ใช่เป็นคําห้ามของพระนาะยญาโยมบางคนเข้าใจว่าพระห้ามไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะเป็นการสมัครใจงดเว้นเองทั้งไม่ใช่วิสัยของพระที่จะไปบังคับให้ชาวบ้านประพฤติเช่นนั้นได้แต่เพราะชาวบ้านไม่สามารถจะทรงจํา คำประกาศสมาทานศีลได้ด้วยตนเองนะ่าจึงต้องขอร้องให้พระสงฆ์เนี่ท่านช่วยกล่าวนำให้ด้วยเช่นเดียวกับการกล่าวถวายสังฆทานนั่นแหละโยมโดยมากผู้ถวายมักจําคําถวายไม่ได้นะ่าจึงต้องขอร้องให้พระสงฆ์นี่ท่านช่วยกล่าวนำให้ด้วยฉะนั้นแหละโยมเห็นเยอะนะกล่าวคําถวายสังฆทานไม่เป็นนี่นะอย่างน้อย ต้องกล่าวให้เป็นถ้ากล่าวไม่เป็นก็มารับหนังสือที่วัดพันศีได้นะ <c oughs> นะมีหนังสือถวายกล่าวคําถวายสังฆทานนะยศโยมนะถ้าไม่รู้คํากล่าวต่างๆนี่มารับหนังสือที่วัดพันศีได้เดี๋ยวจะแจกให้เพราะเหนี่แหละยศโยมสาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้รับศีนก็คือบุคคลผู้สมาทานศีนทุกคนนั้นจึงนิยมต้องกล่าวคําประกาศสมาทานรับศีนในแก่พระสงฆ์ได้ยินอย่างชัดเจน เพื่อประสงค์นั้นจะได้เป็นสักขีพยานในการตั้งใจงดเว้นความชั่วและก็ตั้งใจประกอบความดีต่อไปยัจจบีนี้ยิจ ย, ยมสาธิชนทั้งหลายนี่คำสมาทานสินห้านั้นนะถ้าไม่เกิดว่าไม่มีพระเราก็ทำได้นะยัจยมเพราะว่าถึงไม่มีพระสงฆ์มาเป็นพยานแต่เราตั้งใจ นเราก็กล่าวคําตั้งนโมสามจบก่อนก็คือนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนี่กล่าวสามหนนายจมหลังจากนั้นเราก็กล่าวว่าพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิ ทุติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิตัติยามปิธรรมังสารนังคัจฉามิอตุติยามปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยามปิสังขังสารนังคัจฉามิตัติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิตัติยามปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยามปิสังขังสารนังคัจฉามินะจากนั้นเราก็กล่าวว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อะธนาฐานาเวระมณะีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชชปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิในกรณีศินห้า ในกรณีศินแปก็ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบัทังสมาธิยามิอะที่นาฐานาเวรมณีสิกขาบัทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาบัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชปมาทัปฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิวิกาละโภชนาเวรมณีส <oons> ิกขาปัทังสมาธิยามิ นัจขีตวาทิตะวิสุกะทัศนามาลาคันทะวิเลปะณนะทารณะมันดานะวิภูสนัฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจาศยนะมหาศยนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอ่นนี่คือหลักของการอาราธนาศีล น, นะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันในญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ทีนี้มาดูการอาราธนาพระปริตกันก็แล้วกันนะคาอาราธการอาราธนาพระปริตก็หมายความว่าเมื่อรับศีลเสร็จแล้วนี่นะรับศีลเสร็จแล้วนี่พิธีกรหรือผู้นําก็พึงกล่าวคําอาราธนาพระปริตสืบต่อไปหมายความว่าในกรณีที่เราฟังพระเจริญพระพุทธมนตรนะยัจบก็เราก็กล่าวคําอาราธนาพระปริตนะโดยประนมมือกล่าวคําอาราธนาอย่าง ชัดถ้อยชัดคําจังหวะที่กล่าวนั้นไม่เร็วหรือช้าอืดอาดเกินไปจังหวะที่กล่าวคําอาราธนาพระปริตเนี่ยญาติโยมนะนิยมหยุดทอดเสียงเป็นวักเป็นวักนะเดี๋ยวอาจจะมาภาพจะบอกให้ฟังก็แล้วกันน่าจะจําได้นะถ้าญาติโยมนั้นเคยปวดหรือญาติโยมที่ไปวัดเป็นประจำก็จะได้ยินคํากล่าวอาราธนาพระปริตนะก็กล่าวว่าวิปติปติภาหาย ะ, ะสัพสัมปติสิทธิยา สัพพทุกขวินาสายะปาริตตังพุรุธมังขะลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสายัพาาสพ yep. พยวินาสายะปาริตังพุรุทมังขะลังวิปฏิปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาศายะปาริตังพุรุธมังขะลังนะ ก็จะมีการหยุดวักตอนตามลําดับที่ว่าเมื่อสักครู่ในละยดยมก็หมายความว่าวิปติปฏิปหายะหยุดนิดนึงแล้วก็กล่าวคําว่าสาพสัมปติสิทธิยาแล้วก็ยกหาา ย, นะยุดอีกนิดหนึง่งสภถูกคาวินาสายะนะหยุดอีกนิดหนึง่งปาริตังผูทมังคลังหยุดอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นวักเป็นตอนยดยมเมื่อเรากล่าวคําอาราธนาพระปริตเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกล่าวคําอาราธนาจบก็นิยมนะความนิยมเขาก็คือต้องกราบ3มครั้ง ก่อนเพื่อน้อมตัวลงยกมือไหว้ตามควรเก่กรณีเป็นอันเสร็จพิธีอาราธนาในงานมงคลทีนี้พิธีทําบุญงานอาวมงคลหลายญาติโยมในพิธีทําบุญกุศลงานศพเช่นงานทําบุญสัตตมาวานศพก็คือทําบุญเจวั น, นเป็นต้นนาะยาจโยมก็มักนิยมจัดให้มีการทําบุญกุศลต่างๆเช่นมีการสวดพระพุทธมน์ จบแล้วก็มีเทศหรือมีเทศจบแล้วมีการสวดพระพุทธมนต์เาเหล่านี้เป็นต้นยัดจบดังนั้นการกล่าวลาดับการการกล่าวคําอาราธนานีงานบำเพ็ญกุศลที่มีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วมีเทศต่อไปนั้นพิธีกร น, นิยมกล่าวคําอาราธนานะดังนี้นะยัดจบก็คือก่อนที่พระสงฆ์จะเริ่มสวดพระพุทธมนต์นิยมกล่าวคาอาราธนาพระปริตอย่างเดียว ก่อนที่พระยาเทศก็นิยมกล่าวคำราตนาศีลรับศีนแล้วก็กล่าวคำราธนาพระธรรมสืบต่อไปนะการกล่าวคำรัตนาพระธรรมนะคำรัตนาพระธรรมก็คือนะก็คือพรมมาจะโลกาธิปติสหัมปติการอัญชลีอันทิวาลังอายาจาัตสันติทัศ ต, ตาปะระชักขะชาติกา เทเสตุธรมมังอนุกรรมปีมังปะชังอันนี้คือคำอาราธนาพระพรมน ะ, ะคำอาราธนาธรรมนายมนะการบําเพ็ญกุศลที่มีเทศก่อนแล้วมีประสงค์สวดพระพุทธมนต์ภายหลังพิธีกรหรือผู้นํากล่าวคําอาราธนาดังนี้นายจอมก็คือก่อนที่พระจะเทศนิยมกล่าวคําอาราธนาศีลเมื่อรับศีลแล้วก็กล่าวคำอาราธนาพระธรรม ก่อนที่พระสงฆ์จะสวดพระพุทธมนต์นะนิยมกล่าวคําอาราธนาเฉพาะพระปิตยอย่างเดียวไม่ต้องกล่าวคําอาราธนาศีลอีกนะญาติโยมอันนี้นํามาฝากให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าพิธีบําเพ็ญกุศลศพสวดพระบิธรรมหลายญาติโยมก็พิธีบําเพ็ญกุศลศพสวดพระบิธรรมนั้นนี่พิธีก่หรือผู้นํานั้นนิยมกล่าวคําอาราธนาศีลก่อน เมื่อรับศีลเสร็จแล้วนี่จึงกล่าวคําอาราธนาพระธรรมสืบต่อไปด้วยนะวันนี้นํามาฝากญาติโยมนั้นน่าจะเข้าใจแล้วละนะในส่วนของการกล่าวคําอาราธนาต่างๆที่เราใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในแต่ละครั้งที่เราไปวัดไปวาหรือจัดงานแต่ละครั้งนี่ควรจะจัดให้ถูกต้องตามพิธีกรรมด้วยนะงั้นพรุ่งนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาจจะมาภาพจะนําระเบียบปฏิบัติการจัดข้าวบูชาพระพุทธ มาฝากว่าเอทำไมเขาจะต้องจัดเข้าบูชาพระพุทธด้วยเพราะอะไรเพราะเหตุใดแล้วเราจะมีระเบียบพิธีกันทำอย่างไรนะพรุ่งนี้ต้องติดตามรับฟังนะถ้าไม่รับฟังแล้วอาตมาภาพไม่รับรองความรู้ด้วยนะว่าโยจมจะได้รับฟังหรือไม่อย่างไรยกเว้นว่าพรุ่งนี้อาตมาติดภารกิจหน้าที่ไม่สามารถมาดาเนินรายการได้ต้องขออภัยนะ วันนี้จะนําเสนอนิทานธรรมะก็แล้วกันก่อนที่จะจบรายการวันนี้นําเสนอนิทานธรรมะเรื่องที่9ก้าหของพระพุทธเจ้าห้าร้อยชาติมาฝากกับญาติโยมเรื่องนี้เกิดในกรุงพาราณสีญาติโยมน่าก็มีชายหนุ่มบุตรของพราหมณ์มหาศารคนหนึ่งน่าสําเร็จการศึกษาจากสํานักอาจารย์ที่สาป่าโมกน่าซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงที่เมืองตากาซีลาเสร็จแล้วก็ภายหลังเนี่ยก็ได้ออก บวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพ า, า น, น่าได้สำเร็จอภิญญาสมาบัติและก็มีบริวาร500องค์ด้วยกันเรื่องนี้เรื่องนี้ชื่อว่าเรื่องคุณวิเศษยะจกขั้นต่อมายัดโยมพอมาถึงฤดูฝนนี่ฤาษีสิทธิ์ผู้ใหญ่ของท่านนั้นก็ได้พาบริวาร500องค์ไปจำบรรษาในเมืองแห่งหนึ่ง และเมื่อกลับมาถึงป่าหิ ม, มาพานก็ได้พบอาจารย์เจ็บป่วยจวนจะตายพอดีฤาษีลูกศิษย์ทั้งห้าร้อยองค์ต่างก็เข้ามาไต่ถามท่านนายจอมว่าหน้าต่างคนก็ต่างไต่ถามว่าท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ได้คุณวิเศษอะไรบ้างนะท่านอาจารย์ก็เลยตอบว่าเราไม่ได้คุณวิเศษอะไรหรอกนะจากนั้นก็สิ้นใจ ไปเกิดในสวรรค์ชั้นอภัสสรในพรหมโลกจะจบฝ่ายศิษย์ทั้งหลายเมื่อได้ฟังดังนั้นก็พากันเข้าใจว่า อ, อาจารย์ของพวกเราไม่ได้คุณวิเศษสิ่งใดเลยเสียแรงที่เรานะพวกเราพากันยกย่องนับถือท่านเสียนมนาน่ และเพราะความตั้งใจเช่นนั้นเองญาติโยมพวกฤาษีนั้นจึงไม่ยอมทําการสักการะบูชาศพของอาจารย์แต่อย่างใดนะญาติโยมเพียงแต่ช่วยกันหามศพไปเผาในป่าชาเท่านั้นไม่ห็ลูกศิษย์นี่ไม่ดูแลอาจารย์เลยญาติโยมพาไปเผาไม่ยอมทําบุญทำกุศลเลยญาติโยมฝ่ายฤาษีผู้อาจารย์ญาติโยมซึ่งไปเกิดเป็นมหาพรหมในสวรรค์นั้นครั้นได้ทราบความเข้าใจ ที่ไม่ถูกต้องของบรรดาสิทธ์ดังนั้นแล้วยาจมก็เสด็จลงมาจากสวรรค์ทันทีเดือดร้อนนะยาจมเรากาว่าจะกล่าวปริศนาธรรมให้ลูกสิทธิ์ฟังหน่อยนะแต่ลูกสิทธิ์เอาไปตีความยังอื่นนี่แม่มันน่าเสียใจเหลือเกินนาจากนั้นท่านก็ลงมาจากสวรรค์นั่งบนอากาศเหนืออาสมบนศาลาโพกระสีย่จมแล้วก็แป่งรัศมีให้สว่างสวัยขึ้น เล่นเอาฤาษีพวกนั้นตกใจทีเดียวยโจมรีบออกมาจากอสมสารามมาดุมาดูกันผั <c oughs> วฤาษีทั้งหลายนั่นก็ร้องถามไปเป็นประโยคแรกในะยะจมเขาร้องถามไปว่านี่ท่านเป็นใครว่าอย่างนั้นท่านมหาพรหมก็เลยตอบบอกข้าพเจ้าคือมหาพรหมก่อนนี้นี่เราก็เป็นฤาษีอาจารย์ของพวกท่านขันเราตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นมหาพรหมมาอย่างนั้น ฤษีพวกนั้นนี่ก็เบิกตาโพลงด้วยความประหลาดใจทีเดียวญาติโยมเอ๊ะท่านไปเกิดเป็นมหาพรหมได้อย่างไรในเมื่อท่านไม่มีคุณวิเศษอะไรเลยตอบกับเราก่อนตายว่าไม่ได้มีคุณอริเศษอะไรรอกวนยังไงท่านมหาพรหมนั้นก็ตอบทันทีญาติโยมนะท่านมหาพรหมก็เลยตอบว่านั่นนั้นเป็นความเข้าใจผิดของพวกท่านและขับไปเจ้ามาหาท่านวันนี้ ก็เพื่อแก้ความเข้าใจผิดของท่านอันนี้แหละหมายความว่าท่านมีคุณวิเศษกันนั้นเถรอหรือสีทั้งหลายก็ถามนายัดยมแล้วทำไมก่อนหน้านี้เนี่ยท่านจะสิ้นใจจึงบอกกับพวกเราว่านะเราไม่ได้คุณวิเศษอะไรหรอกว่าอย่างนั้นได้อย่างไรวาท้ามหาพรหมในหัวรกกากเลยัดยมพลางตอบเลี่ยงไปว่า นะจำไว้นะลูกศิษย์นะเขาบอกว่าคนมีปัญญาและมีอะไรดีย่อมอ่อนน้อมถ่อมตนไม่อวดวิเศษหรืออวดเก่งกล้าสา ม, มารถให้ผู้ใดฟังตรงกับคนโง่นะคือตรงข้ามในคนที่โง่เขลาและก็ไม่มีอะไรดีมักจะอวดอ้างคุณวิเศษยกตนข่มท่านเสมอ พวกท่านต้องจำไว้นะดูรวงข้าวไหมเขาบอกว่ารวงข้าวคราวสุกน้อมร่วงลงรวงรีบชูรวงตรงสู่ฟ้าเฉกฉลาดปราดยงยิ่งทอมต้นเฮคนโง่ย่มอมเอ้ออ้าอวดอ้างฤทธีนะลูกศิษย์นะจำไว้นะว่าเฮงันจริงๆยะยมเคยเห็นเคยเห็นข้าวไหมยะยมรวงข้าวที่เราเกี่ยวข้าวในฐานะที่เราเป็นชาวนาเนี่ย ตอนมันสุกเนี่ยเ็เห็นมัจยโญมรวงข้าวใดมเมล็ดที่เต็มไปด้วยมเมล็ดนี่เขาจะอ่อนน้อมนะน้อมลงสู่ดินแต่ไปดูไอ้มเมล็ดรีบสิยัจโมนะรวงข้าวที่มันเรีบมันไม่มีมเมล็ดนี่มันชูเด่นตรงเหลือเกินนะยัจโญแม่อวดอ้างตัวเองเป็นผู้รูปหล่อเอาการวะ <c oughs> นะมันไม่ใช่ยัจโมเพราะฉะนั้นนี่ท่านอาจารย์ก็เลยบอกว่าคนมีปัญญาและมีอะไรดี ย่อมอ่อนน้อมถ่อมตนไม่อวดวิเศษหรืออวดเก่งกล้าสามารถให้ผู้ใดฟังตรงข้ามกับคนที่โง่และก็ไม่มีอะไรดีมักก็จะอวดอ้างคุณวิเศษยกตนข่มท่านเสมอน้าก็หมายความว่าส่วนใหญ่แล้วในคนที่ไม่มีอะไรในชอบยกตนเองยะจบดังนั้นนี่พวกฤาษีได้ยินเช่นนั้นแนต่างก็เลื่อมใสายะจมกล่าวยกย่องคุณอาจารย์เป็นการใหญ่ แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาญาติยโยมก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาบําเพ็ญเพียรจนได้คุณวิเศษและก็ได้ไปเกิดร่วมกับอาจารย์ในที่สุดแห่งชีวิตตัวญาติโยมไปเป็นพรหมนะบันยันคติที่ได้จากเรื่องนี้ญาติยโยมเองน่าจะสรุปได้แล้วนะว่ามันได้ได้จากเรื่องนี้ได้ได้อย่างไรก็หมายความว่าคนโง่มักจะอวดอ้างตนเองว่าฉลาดสามารถกว่าใครๆส่วนคนฉลาดในญาติโยมมักจะอ่อนน้อมถม่อมตน นี่คือข้อสังเกตกำหนดรู้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาหน้ามนุษย์ว่าคนไหนจะงโง่หรือฉลาดปานใดนี่ดูง่ายๆ่ ย, ยโจบนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงดูเวลาแล้วก็เกือบหมดเวลาแล้วละเหลือประมาณอีก5นาทียะโยมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสนทนาธรรมหรือต้องการที่จะติชมรายการแจ้งผลการรับฟังมาได้ที่หน้าเบอร์โทรศัพท์ของสถานีนาก็คือเบอร์โทรศัพท์0น 560488ก็แล้วกันนาะในช่วง5นาทีนี้หลังจาก5นาทีนี้ก็คงจะไม่ต้องรับสายนาะยจมนะเพราะว่านะเดี๋ยวจะมีท่านพระอาจารย์มาจัดรายการต่อจากอาตมาภาพก็แล้วกันก็สามารถที่จะตนสนทนทาธรรมกับท่านได้นาะในส่วนของชั่วโมงต่อไปก็แล้วกัน2ชั่วโมงนาของรายการธรรมะตั้งแต่เวลานาสินาฬิกาจนถึงเวลา18นาฬิกา เป็นช่วงของรายการธรรมะยัญ ย, ยมสามารถติดตามรับฟังและก็สามารถติดตามรับฟังรายการของอาตมาภาพได้ในส่วนของรายการโน่นเวลา18บแนาฬิกาสามนาทีถึงเวลา19บเนาฬิกาและก็ฟังต้องต้องต้องฟังนาะย ย, ยมสามทุ่มถึง4ี่ทุ่มเพราะว่าเป็นรายการที่สนทนาธรรมทั้งสองรูประหว่างอาตมาภาพและท่านอาจารย์สุพัฒน์ด้วย นะก็ในช่วงกลางคืน3ามทุ่มทั้ง4ี่ทุ่มก็อย่าพึ่งนอนนาะติดตามรับฟังรายการก็แล้วกันนะในการสนทนาธรรมในส่วนของมงคล38ประการมงคลชีวิตนาะยโยมว่าในช่วงนี้นี่กํลาลังคุยกันในส่วนของเรื่องนะของกันในส่วนของเรื่องต่างๆนะก็ประมาณมงคลที่1 3บสแล้วละ่นะก็ต้องติดตามในคืนนี้ก็แล้วกันนะ วันนี้อัตมาภาพก็คงจะดูแล้วสมควรเก็บเวลาแล้วละ่ะนะก็สามารถติดตามรับฟังรายการได้เป็นประจำทาง 167.5 หกจเามกนะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้วันนี้อัตมาภาพพระสมรักษ์ยาณธีโรวัดผันศีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขอรภูมิจังหวัดสุรินต้องขออเพาจากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดี จงมาเกิดมีแก่ยโจมผู้รับฟังรายการทุกทุกท่านขอจะเริญพร